ขอนอบน้อมสระรัตนชัยกราบครูบาอาจารย์กราบอาจารย์ทรงศิลนลุงปู่กลมอาจารย์วัตนชัยแล้วก็พันเต ร, รวมถึงหมู่สงแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็งง <c oughs> <c oughs> ปกติอาจารย์ทรงศินเรียกเรียกออสเนาะปกติชื่ออส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 เช้าทําวัดเย็นที่นี่แหละศาลาแห่งเนี้ยแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอย่างเช่นอเรื่องเราทําวัดส่วนมนต์นะบทหลักก็คล้ายๆกันไม่ว่าธรรวัดเช้าทําวัด เ, เย็นบทหลักก็คล้ายกันแต่บทพิเศษแต่ละวันก็ไม่ซ้ํากันไม่เหมือนกันนะก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะรวมถึง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 นอนอยู่แล้วก็ต่อมานั่งใช่ไหมจะนั่งท่าไหนก็แล้วแต่ต่อมาก็ยืนต่อมาก็เดินเห็นไหมอิริยาบทใหญ่ใหญ่หญยาบหยับเนี่ยอย่างน้อยก็สี่แล้วละ่ะแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกอืมทีนี้อิริยาบทย่อยอีกโอ้สารพัดย่อยยั บ, ย, บยิบไปหมดเลยนะเดี๋ยว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 ก็สักแต่ทราบสักแต่ก็คือรู้ไปที่ใจก็คือสักแต่รู้เหมือนกันแต่รู้ที่ใจใช่ไรู้กลิ่นก็เหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยนะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีเทวานเดียวไม่ใช่มีแค่หูอย่างเดียวไม่ใช่มีแค่ตาอย่างเดียวจะโมกกลิ้นหรือกายหรือใจอย่างเดียวมันมีอายตนะทั้งตั้งหกทางใช่ไหถ้ารวมถึงอายตนะภายนอกภายในมันก็คือสิสอง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 เพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ใส่ไว้ในบทสนมนีกเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอ น, นิจจงเนี่ยเราก็จะเข้าใจทุกขังได้เพราะมันคืออันเดียวกันพอมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างเช่นนะอย่างเราเอาเอ า, เอารูปเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามถูกไหมพออาจจะมาพูดครั้งหนึ่งโยมก็จะได้ยินพออาจจะมาหยุดพูดการได้ยินก็หมดไปถูกไหรูปหมด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 เรเดินเนเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันทะลาลงไปแฉลัดอ่ะจีโน่เหยียบขี่โคลนใช่ไหมเหยี ย, ยบเปลือกกล้วยอย่างเงี้ยเออเนี้ยมันรู้สึกตัวได้อย่างชัดมากเลยแล้วไม่มีเจตนาที่จะรู้ด้วยไม่มีเจตนาที่จะทําด้วยแล้วสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยไม่ใช่แค่มือละพอมันลื่นปึ๊บเนี่ยโหโหอยไหวทั้งตัวเลยโยกไปทั้งตัวเลยรู้เท้าสัมผัสที่มันกับ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 อั น, นั้นมันก็คิดเอาถูกไหมแต่ของจริงก็คือต้องต้องทําเอาเองแล้วรู้เ อ, เองนี่ของจริงอย่างโยงเนี่ยนั่งอยู่สมมติอะโยมลองเยอะอย่งเนี้ยก็โยมก็รู้ของโยมเองอย่างเงียงเง้ยถูกไหมมันก็รู้เองรู้เองเห็นเองพอเราได้วิธีได้เอ่ได้เทคนิคต่างๆมาฝึกแล้วเนี่ยทําให้เราไม่เบื่อนะเราไม่เบื่อทีนี้อาจจะมามีประสบการณ์อีกอันก็คือ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 ก็อธิบายไม่ได้ว่าก่อนเกิดเสียงคืออะไรแต่ถ้าตั้งชื่อขึ้นมาก็คือก็ไม่ได้ยินเสียงไงบางคนบอกได้ยินความเงียบเห็นไนหะความเงียบนี้ความเงียบนี้ได้ยินไปไม่มีไม่มีขอบเขตความเงียบนะแต่ความดังอยู่ในรัศมีที่จากัดมากเคาะก็ได้ยินอยู่แค่นี้แต่คนที่อยู่ไกลๆนู่นเขาได้ยินความเงียบเพราะเขาไม่ได้ยินอธิคานะเพราะนั้น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 ก็ถาวรไปเลยเนี่ยก็ธรรมะมันก็มีหลักๆอย่างเนี้ยบางทีมันมันก็ไม่ยากนะวิธีฟังแบบเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าฟังประเภทอภิธรรมเนี่ยโอ้มันยากมากเราต้องคิดเยอะพอคิดเยอะพันเพือนตามไม่ทันแต่ถ้าบอกว่าโอ้สักแต่รู้สักแต่เห็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องเข้าไปเป็นอะไรกับมันแค่ดูแค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดแคูแค่รู้ไปอย่างเนี้ยมันง่ายธรรมะ